ธรรมาพิคีติธรรมยังธรรมาพิคีติงกโรมเซสวาคตาตาที่กุนยุคาวเซนอายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคนคือ ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตนโยมคปากาปริยติวิโมคเพทโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมารผลปริยตและนิพพานทามโมกุโลกปัตนาตถธาริทารี เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตะมหารังวรธรรมมะเมตตังข้าประจ้าไว้พระธรรมอันประเสริฐนานอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด ขโมโยสภพปานีนางสารนางเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทนานวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึก องที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมะสหาสมิธธโสวธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาตุของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสขาตาจาวิทาตาจหิตาสเม พระธรรมเป็นเครื่องกำรรจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมาสังิยเทมิสริลันชีวิ ต, ตันธิทางข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมมาเสวสุธรรมมาตั ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤติธรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัดทีม่มสรารนังอันอยังทำโมเมสรารนังว ร, งราจสารณาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนะสัจจวะเจนวัทยังสัตตุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ mm hmm. ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา mm hmm. ของพระศาสดา mm hmm. ถ้ามังเมวันธมาเนยนยัง mm hmm. ปนยังปัสตังอิธา mm hmm. ข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรม mm hmm. ได้ขนวา้บุญใด mm hmm. ในบัดนี้ ซาเปปิอันตรายามมเมมาเฮสุงตาสเตชะซาอันตรายทาั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนาวาจายวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ธรามเมกุกรมมังปกตังไม่ยายังกรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอาชยันต oh ังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอ um ันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงว่าธรรมเม เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป